มันอยากที่ไหนกันะเชือกพกเสื้อเหลือมัยมันอยากที่ไหนกันมาชมเทียนนี่นะอยู่คะแนกไหนที่อยู่กงังค่ ะ, ะ, ะที่าบาเนี่ยมาเองก็ได้ไม่ต้องพามาก็ได้ ร่ไม่รู้จักที่มีเพื่อนเขาบอกอยากขึ้นมาเหมือนกันก็เลยมาดูก็มาได้ทุกวันบ่ายสองโมงสองถึงสี่โมงก็จะสนทนาธรรมกันแสดงทมกันตอบถามปัญหาทรมีแต่เรื่องทม กาทำเป็นเรื่องเย็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องร้อนเรื่องเงินทองเนร้อนเรื่องบ้านเมืองก็ร้อนอย่าไปหาของร้อนมาใสา่ใจเลยหาของเย็นมาใสา่ใจดีกว่าใจเราร้อนเพราะเราไปเอาของร้อนมาใสา่ใจเราเราพุทธเจ้าบอกรูปเสียงกกินร้อนนี่เป็นของร้อน อสัมผัสแล้วกรววลล็ร้อนด้วยความวโลภร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความหลงเห็นอะไรชอบก็อยากได้ก็โลภเห็นอะไรไม่ชอบก็โกรธเห็นอะไรก็หลงคิดว่าเป็นของเราไปหมดมีอะไรได้อะไรมาก็คิดว่าเป็นของเราอันนี้ ถ้าไม่มีธรรมะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นอะไรก็จะรักจะชังจะกลัวจะหลงแต่ถ้ามาฝึกธรรมะแล้วมาฟังธรรมะแล้วเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรต้องรักต้องชังต้องกลัวต้องหลงรักก็ไม่ดีรักก็ทำให้ใจเรากระวนกระวายรักอะไรแล้วก็ห่วงแล้วก็ห่วง หรือถ้ายังไม่ได้ก็อยากได้ถ้าชังอะไรก็อยากจะทำร้ายเขา อ, อยากจะถักให้มันหายไปถ้ากลัว ก, ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าหลงก็วุ่นวายใจกังวล วิธีที่จะทำให้ใจเราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็คือต้องมาหัดนั่งนั่งสมาธิกันมาทำใจให้หยุดคิดให้ได้พ<ม>อใจเราหยุดคิดแล้วใจมันจะเป็นกลางมันจะเฉยสักแต่ว่ารู้แต่รู้แบบไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลง เราจะรู้สึกว่าสบายใจความสบายใจความสุขใจอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ใจเป็นกลางใจเป็นอุบเบกขาใจสักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็ไม่รักเห็นอะไรก็ไม่ชังเห็นอะไรก็ไม่กลัวเห็นอะไรก็ไม่หลงคือเฉยๆไม่ได้ไป ยินดีินร้าไม่ได้ไปกลัวไม่ได้ไปหวงไปห่วงอะไรทั้งหลายทั้งแหล่พอใจกับทุกอย่างนี้มันไปด้วยกันไม่ได้เราใจนี้เอาอะไรไปไม่ได้ตอนนี้มาติดอยู่กับร่างกายพอร่างกายตายไปก็ใจก็ไปคนเดียว ของอย่างอื่นที่ได้ผ่านทางร่างกายก็กลายเป็นของคนอื่นไปข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆสามีภรรยาบุตรทีดาของต่างๆเหล่านี้ใจเราเอาไปไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นอย่าหลงกับสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่ถ้าเราหลงเราก็จะหวงเราจะหวงแล้วเราจะไม่สบายใจวุ่นวายใจอยู่กับของที่เป็นของเราของอะไรที่ไม่เป็นของเราเราไม่เราจะไม่ค่อยหวงไม่ค่อยหวงเห็นไหมรถของคนอื่นนี่เราหวงไหมหวงหย แฟนของคนอื่นเราไปห่วงไปห่วงไหมเขาจะเป็นจะตายเราเดือดร้อนไหมพอมาเป็นของเราขึ้นมาปั๊บเดือดร้อนขึ้นมาทันทีพอเข้ามาเป็นแฟนของเราทีนี้หวงแล้วสิห่วงแล้วสิที่เราห่วงเราห่วงเพราะว่าเราอยากจะให้เขาเป็นของเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาไปเป็นของคนอื่น แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดเป็นได้ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเป็นของคนอื่นไปเรือหรือกับสูญสลายหายไปเช่นร่างกายถ้าเขาไม่ไปถ้าแฟนของร่างกายนี้เขาไม่ไปมีแฟนใหม่เขาอยู่กับเราเดี๋ยวเ้าตายไปร่างกายาก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไป กลายเป็นเศษกระดูกไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาศึกษากันเพื่อเราจะได้ไม่หวงไม่หวงไม่หลงไปยึดไปถือว่าเป็นของเราการไม่ถืออะไรเป็นของเรานี่มันสบายนะมันจะได้ไม่ต้องหวงไม่ต้องหวงถ้าเราไม่ถือว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราจะสบาย อยู่กับร่างกายนี้อยู่อย่างสบายแต่ตอนนี้เราอยู่ด้วยความวิตกกังวลวุ้นวายเวลาร่างกายเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยขึ้นมาก็เกิดความหวาดลัวขึ้นมากลัวว่ามันจะเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายกลัวว่าจะต้องไปผ่าตัดไปใช้แสง กลมันจะตายก็ของมันจะตายอยู่แล้วไปกลัวทําไมของมันจะต้องเจ็บอยู่แล้วไปกลัวมันทําไมเพราะเราลืมไปกันเราลืมว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะเรามัวไปคิดเรื่องอื่นไปคิดถึงเรื่องเงินทองเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องราบยศสารเสริญ เราก็เลยไม่มีเวลามาคิดถึงร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครเหมือนกันหมดเพราะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของใครร่างกายนี้เป็นของดินน้ำลมไฟเรายืมมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนเราไปยืมของจากเพื่อนมาอย่างนี้ ยืมรถเข้ามาใช้เดี๋ยวเราก็ต้องคืนเข้าไปแต่เราไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ของเราเรารู้ว่าเราเป็นเรายืมเขามาเป็นของของเขาพอถึงเวลาเราก็าไปคืนเขาร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนของเป็นเป็นของดินน้ำลมไฟเราไปยืมมาจากดินน้ำลมไฟ เวลาเราดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยเราก็เอาน้าไปยืมน้ํามาละเวลาหายใจเข้าไปก็ไปยืมลมมาละเวลากินอาหารกินข้าวก็มาจากดินนะกินผักก็มาจากดินเนี่ยร่างกายถ้าไม่มีน้ําไม่มีลมไม่มีดินไม่มีไฟจะอยู่ได้ยังไง ร่างกายก็เป็นเหมือนบ้านเหมือนศาลาหลังนี้ที่มันเอาวัสดุต่างๆมารวมกันเอาไม้เอาสังกะสีเอาอะไรมารวมกันมันก็เลยเป็นศาลาขึ้นมาแล้วใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็ผุพังไปทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อม มีขึ้นมีลงเราจึงไม่ควรที่จะไปยึดไปติดอย่าไปพึ่งเขาตอนนี้ปัญหาของพวกเราก็คือเราไม่มีที่พึ่งเลยในตัวเราเราเลยต้องไปพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้พึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้แต่ก็พึ่งได้เป็นบางครั้งบางเวลาบางเวลาก็พึ่งไม่ได้ เวลาพึ่งไม่ได้เราก็เสียใจทุกข์ใจกันแล้วเวลาพึ่งได้ก็ห่วงว่าห่วงว่าเมื่อไหร่มันจะพึ่งไม่ได้กลัวจะพึ่งไม่ได้แล้วมันก็พึ่งไม่ได้จริงๆสักวันหนึ่งก็พึ่งไม่ได้ร่างกายครนี้เราก็สักวันหนึ่งก็จะพึ่งมันไม่ได้เวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายนี่เราก็พึ่งมันก็ได้ พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆให้มาพึ่งตัวเองอัตตาหิอัตาโนนาโถตอนเป็นพี่พึ่งของตนตอนในที่นี้คือใครไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราของเราก็คือใจจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นตัวเราของเรา ตอนนี้เราไม่มีที่พึ่งในตัวเราเราเลยไปพึ่งที่ไปพึ่งอย่างอื่นแทนเลยทำให้ตัวเราต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยๆต้องเสีย อ, อกเสียใจอยู่เรื่อยๆเวลาสิ่งที่พึ่งพึ่งไม่ได้เวลาสิ่งที่พึ่งจากเราไปหรือเสียไปสูญไป เรามาสร้างที่พึ่งที่ใจกันดีกว่าในใจเรานี่มีที่พึ่งอยู่อันหนึ่งที่เราพึ่งได้ตลอดเวลาถ้าเรามีที่พึ่งในใจเราแล้ ว, ลวเราก็จะได้ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆภายนอกเมื่อเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเวลาสิ่งต่างๆจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อน เหมือนคนที่เราไม่ได้พึ่งเวลาเขาตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนสิ่งที่เราไม่ได้พึ่งเวลาเขาเป็นอะไรไ ป, ไ เ, LLC รไปเราก็ไม่เดือดร้อนเช่นรถของคนอื่นพังไปเราก็ไม่เดือดร้อนบ้านของคนอื่นพังไปเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเป็นรถของเราพังไปเราจะเดือดร้อ <c> น <oughs> บ้านของเราพังไปเราจะเดือดร้อนร่างกายของเราตายไปเราจะเดือดร้อน พอเรายัางไปพึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่เรายัางพึ่งบ้านพึ่งข้าวของเงินทองต่างๆพึ่งคนนั้นคนนี้อยู่พึ่งร่างกายของเราเราก็เลยมาทุกมาวุ่นวายกับของเหล่านี้กันเพราะเราอยากจะให้เขาเป็นที่พึ่งของเราไปตลอดแต่มันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นของเราไปตลอด พอร่างกายเราตายไปของทุกอย่างที่เป็นของเราก็หมดสก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมด <c oughs> อย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มาหาที่พึ่งที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่าที่พึ่งที่มีอยู่ในตัวเรานี้ก็คือความสงบทำใจให้สงบตอนนี้ใจเหมือนอนถยนต์ที่วิ่งไม่หยุดความคิดของเราเนี่ยมันคิดอยู่เรื่อย มันไม่มีมันไม่เคยหยุดคิดเลยแม้เวลานอนหลับมันก็ยังคิดอยู่เวลาเราฝันนี่มันก็เป็นความคิดแล้วเวลาคิดไปฝันไปก็มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมามีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทุกข์้ะมากกว่าสุขอพาเราจะไปคิด ในสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์กันเพราะสิ่งที่เราคิดนีมันเป็นไปตามที่เราคิดไม่ได้ฉะนนเราชอบคิดว่าให้ร่างกายเราไม่แก่ร่างกายเราไม่เจ็บร่างกายเราไม่ตายให้คิดว่าสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่จะอยู่ไปเรื่อยๆ แต่พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทําให้สิ่งต่างๆไม่อยู่กับเราเราก็ทุกข์กันถ้าเรามีความสงบนี้เราจะมีความสุขเราก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราถ้าเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆแล้วเวลาสิ่งต่างๆเป็นอะไรไปหมดไปจากเราไปเราก็จะไม่เดือดร้อน เหมือนกับคนที่เราไม่พึ่งเวลาเขาเป็นอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อนสิ่งที่เราไม่ได้พึ่งเวลามันเป็นอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นอย่าไปพึ่งอะไรเลยให้พึ่งใจให้พึ่งความสงบเพียงอย่างเดียวแล้วใจจะปลอดภัยใจจะสบายไปตลอดถึงแม้ร่างกายนี้จะตายจะแก่จะเจ็บก็จะไม่เดือดร้อน เราไม่ได้พึ่งร่างกายแล้วถ้าเรามีที่พึ่งที่ใจแต่เราก็จะไม่ทําลายร่างกายปล่อยให้มันอยู่ไปตามสภาพของมันเ <itan> มื่อมันยังอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปเมื่อกินได้ก็กินไปแต่ไม่ได้กินเพื่อความสุขจากร่างกายไม่ได้กินเพื่อความสุขจากการกินไม่ได้ดื่มเพื่อความสุขแต่กินเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ไป เหมือนเวลาเราลดน้ำต้นไม้มีน้ำก็เราก็ลดให้ต้นไม้ไปต้นไม้มันก็จะอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำลดให้มันเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปแห้งตายไปร่างกายถ้าไม่มีน้ำให้ดื่มไม่มีอากาศให้หายใจไม่มีอาหารให้รับประทานเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปแต่คนที่ไม่ต้องพึ่งร่างกายก็จะไม่เดือดร้อน คนที่มีความสงบนี้จะไม่เดือดร้อนกับการพัดพลากจากสิ่งต่างๆไปเลยไม่เดือดร้อนเวลา เ, ลาเงินทองหมดไปไม่เดือดร้อนเวลาคนนั่นคนนี้จากเราไปทิ้งเราไปไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายนี้ตายไปเวลาร่างกายเจ็บก็ไม่เดือดร้อนเจ็บคไายได้ป่วยก็รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป ถ้ามันไม่ยอมอยู่มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปจะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเรามีที่พึ่งทางใจตอนนี้พวกเราไม่มีที่พึ่งทางใจกันเราจึงต้องเดือดร้อนวุ่นวายกันคนที่มีที่พึ่งทางใจนี้เขาไม่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี่ท่านไม่เดือดร้อนกับอะไรเลย ไม่เดือดร้อนกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องสติเศรษฐกิจเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลฟ้าอากาศเรื่องอะไรต่างๆไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าท่านไม่ได้พึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันจะดีหรือมันจะไม่ดีก็ไม่เป็นปัญหาเลยอยู่ก็มันได้ ถ้าอยู่ไม่ได้มันจะตายก็ให้มันตายไปถ้ามีความสงบแล้วใจจะเป็นอย่างนี้จริงๆของดีๆมีอยู่ในตัวเราไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่เหมือนของต่างๆที่เราต้องเสียเงินไปซื้อมากันซื้อมาแล้วก็มาทำให้เราปวดหัวทีหลังองีกซื้ออะไรมาเดี๋ยวมันก็เสียแล้วมันก็หายไป มาหาของดีๆที่ไม่ต้องเสียเงินดีกว่าไม่ต้องใช้เงินเพียงแต่ว่าต้องใช้สติเท่านั้นเองคำว่าสติก็คือต้องมีกําลังหยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดตอนนี้เราหยุดความคิดกันได้ไหมพอตอนไปนี้ฉันจะไม่คิดสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมจะนั่งเฉยๆไม่คิดอะไรได้ไหมลองทําดูสิ ระว่างคิดกับไม่คิดนี่สบายอะไรจะสบายเหมากันบางทีชั่วโมงนี้นั่งคิดเนี่ยคิดแต่เรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจไม่สบายใจถ้าไม่คิดเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจก็จะไม่มีถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาสร้างเบรกขึ้นมาวิธีสร้างเบรค ก, ก็คือให้เราอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นให้อยู่กับพุโทโธเนี่ย แ้าเราเระลึกถึงพุทธโธคิดถึงพุทธโธไปในใจไม่ต้องออกเสียงนั่งไปเฉยๆแล้วก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธไปถ้าอยู่กับพุทธโธได้ก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดแล้วใจก็เย็นสบายเวลาทุกข์กับเรื่องอะไรถ้าเรามาพุทธโธพุทธโธเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ละ พอเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกเราก็ไม่ทุกข์กับมันนี่คือวิธีที่เราจะทำให้ใจเราสุขทำให้ใจเราสบายทำให้ใจเราไม่วุ่นวายเราต้องมาเจริญสติกันมาสร้างเบรกกันเพื่อที่จะได้มาหยุดความคิดต่างๆโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ดี คิดแล้วทำให้เราไม่สบายใจคิดไปทำไมทำไมชอบคิดเกินแลวเกินคิดแล้วก็วิตกกังวลถ้าวิตกกังวลก็อย่าไปคิดมันไม่ดีกว่าคิดแล้วหวาดกลัวนี่คิดไปทาไมถ้าจะคิดก็ต้องคิดให้มันไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัววิธีที่จะคิดให้เราไม่วิตกกังวลไม่หวาดกลัวก็คือต้องคิดว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเรา ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวทรัพสมบัติข้าวของเงินทองสามีภรรยาบุตรธิดาบิดามารดาญาสนิทมิตรสหายราบยศสรรเสริญลูปเสียงกิ่นรสต่างๆมันไม่ได้เป็นของเราเลยเราไปหลงเองไปหลงไว่าไปไปหลงว่าเขาเป็นของเราพอเขาเป็นของเรา เราก็เป็นอะไรไปเราก็ทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมคนที่เราไม่ถือว่าเป็นญาติเรานี่เราไปทุกข์กับเขาเปล่าคนที่เราไม่ถือว่าเป็นเพื่อนเราเราไปทุกข์กับเขาเ่ะของที่เราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเราเนี่ยเงินในธนาคารมีตั้งกี่ร้อยล้านพันล้านเนยเราทุกข์กับมันไหมเพรามันไม่ได้เป็นของเราใช่ไหมถ้ามันเป็นของเรานี่เราจะทุกข์นะกลัวว่าเดี๋ยวเกิดธนาคารล่มจะทําังไง ฝาเงินไว้ในธนาคารเกิดธนาคารมันเจ๊งทำไงร้อยล้านพันล้านก็หมดเนี่ยเห็นไอะไรพอเป็นของเราปั๊บทุกขึ้นมา ท, าทันทีเดือดร้อนขึ้นมา ท, าทันทีงั้นต้องคิดว่าไม่ใช่เป็นของเราเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราจริงๆมันเป็นของเราชั่วครั้งชั่วคราวพอเราตายไปเราเอาอะไรไปได้ไหพอเราตายไปเงินในธนาคารที่มีอยู่พันล้านนี่ ยังเป็นของเราอยู่เปล่าเดี๋ยวลูกหลานคนนู้นคนนี้เขาก็มาเอาไปแล้วเขาไม่เก็บไว้ในชื่อเราแล้วเขาก็ไปขึ้นสงูงขึ้นสาลแย่งกันแล้วงั้นอย่าไปคิดว่าอะไรเป็นของเราแล้วใจจะสบายพอคิดว่าอะไรเป็นของเราแล้วใจจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีแล้วเราต้องเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นของเราจริงๆ ว่าเวลาเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเราเราก็เอาไปไม่ได้สามีภรรยาบุตรธิดาที่เราคิดว่าเป็นของเราเราก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเราก็เอาไปไม่ได้ตำแหน่งที่เรามีตอนนี้เราก็เอาไปไม่ได้พอเราตายไปคนอื่นเขาก็มาสวมต่อกลายเป็นตาแหน่งไหนเด็กก็มีคนอื่นมา ทำหน้าที่ต่อไปของทุกอย่างเป็นของเราชั่วคราวให้คิดอย่างนี้เราต้องพร้อมที่จะให้มันจากมาไปทุกเวลานาทีพร้อมที่จะตายทุกเวลานาทีถ้าเราพร้อมอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีอะไรมาทำให้เราสะเทือนใจได้จะไม่มีอะไรมาทำให้เราหวั่นไหวได้วิธทีทำก็คือให้คิดบ่อยๆคิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา ของที่เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราวแม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นของเราชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปเป็นของสั ป, ปเหร่เปปเหเาเดี๋ยวสั ป, ปเห่ก็รับไปเดี๋ยวสัปเห่ก็เอาไปเผาให้เราต้องของเหล่านี้เราต้องหัดคิดกันนะถ้าเราคิดแล้วต่อไปเราจะได้ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดว่าเป็นของเราแล้วเราก็จะไม่ไปทุกข์ไม่ไปกังวล พราะเรารู้ว่ามันจะจากเราไปได้ทุกเวลานาทีไม่มีใครไปรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นของต่างๆมันเกิดขึ้นได้ปุ๊บปั๊บจนเวลามันจะเกิดนั้นเราต้องเตรียมตัวเตียมใจสอนใจอยู่เรื่อยว่าเราต้องพร้อมที่จะให้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นีจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปถ้าคิดแบบนี้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราไปคิดว่าโอ้ไอ้นั่นก็เป็นของเราไอ้นี่ก็เป็นของเราจะ ต, ต้องเป็นของเราไปนานๆจะต้องเป็นของเราไปเรื่อยๆถ้าคิดอย่างนี้เราทุกข์แน่ๆพอมีอะไรมากระทบหน่อยก็ทุกข์ล้วิธีที่เราจะไม่คิดได้หรือคิดในทางนี้ได้เราต้องมีสติต้องรู้จักควบคุมความคิดความคิดนี่ก็เหมือนกับรถยนต์นี่ ถ้าเราไม่ไม่มีพวงมาลัยไม่มีเบรกนี่นเราคุมมันไม่ได้เราเวลาจะให้มันเลี้ยวซ้ายมันไม่เลี้ยวซ้ายเนี่ยเวลาจะให้มันหยุดมันไม่หยุดเนี่ยอันนี้ใจเราไม่หยุดมันจะคิดว่าเป็นของเราอยู่ไดเรื่อยมันจะคิดว่าจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยอันนี้เราต้องมาเปลี่ยนความคิดอนนี้ให้ได้หยุดความคิดอันนี้ให้ได้แล้ว เราคิดไปในทางที่มันเป็นความจริงตอนนี้เราอยู่กับความหลงอยู่กับความอยากอยู่กับความไม่จริงไม่มีอะไรมันจะอยู่กับเราไปได้ตลอดหรอกร่างกายนี้มันก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดแล้วข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆจะอยู่กับเราไปตลอดได้อย่างไรพอไม่มีร่างกายนี้กไ็ไม่สามารถหาอะไรได้นะ ที่เราหาอะไรต่างๆได้ก็เพราะว่าเรามีร่างกายนี้ใช่ไหมพอเรามีร่างกายนี้เราอยากจะมีเงินเราก็ไปหาเงินได้เราอยากจะมีรถเราก็ไปหาซื้อรถได้เพราะมีร่างกายนะมีร่างกายไปทํางานทํางานหาเงินมาหาเงินมาได้ก็ซื้ออะไรได้พอซื้อมาปั๊บก็เป็นของเราทันทีพอเป็นของเราก็ไม่อยากจะให้มันจากเราไปพอมันจากเราไปเราก็เสียใจ เราต้องเข้าใจว่าของทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ถาวรในโลกนี้ไม่มีสิ่งใ ด, นดในโลกนี้ที่ถาวรนอกจากสิ่งที่มารวมกันมาทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาสิ่งที่ถาวรมีอยู่สอันห้าอันคือดินน้ำลมไฟแล้วก็ใจของพวกเราเนี่ยห้าตัวนี้เป็นของถาวรตัวที่หกก็คืออากาศหรืออวกาศคือ ความว่างนี่แหละที่มันอยู่ตลอดเวลาใช่ไมเราไปไหนเราเจอความว่างตลอดเวลาแล้วมันต้องมีความว่างเราถึงไปไหนมาไหนได้ถ้าไม่มีความว่างก็ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีที่ที่เราจะขยับไปไหนมาไหนได้แล้วร่างกายของเรานี้มันก็มาจากดินน้ำนมไฟน้ำที่เราดื่มเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไปอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ข้าวมันมาจากไหนข้าวมันมาจากท้องฟ้าหรือมันมาจากดินผักมันมาจากไหนใช่ไหมเนื้อสัตว์มาจากไหนเนื้อสัตว์มันก็มาจากข้าวที่มันกินเข้าไปผักที่มันกินเข้าไปพอมันกินเข้าไปในร่างกายมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นหนังไปเหมือนร่างกายของเรานี้เรากินข้าวเข้าไปกินน้ำเข้าไปหายใจเข้าไปมันก็มาเปลี่ยนเป็นผมเ่นะ นเปลี่ยนเป็นขนดินน้ำลมไฟนี่มันเป็นของวิเศษนะมันสามารถะสมกันแล้วเป็นอะไรต่างๆได้เยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับเวลาเราทำขนมเนี่ยเราก็เอาแป้งเอาน้ําตาลเอานมเอาไข่มาปนกันแล้วมาทำมันก็ออกมาเป็นขนมต่างๆมีขนมหลากหลายมันก็มาจากของไม่กี่อย่างนี้เอง เราต้องรู้ว่าของทุกอย่างนี้มันเกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่ของดินน้ําลมไฟแล้วก็มีใจของเรามาครอบครองใจเรามาครอบครองร่างกายนี้ของที่ไม่มีใจครอบครองก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ใบหญ้าพวกนี้ไม่มีใจมาครอบครองแต่ก็ยังมีดินมีน้ํามีลมอยู่ต้นไม้เนี่ยมันต้องมีการผสมของน้ําของดิน ของอากาศคือลมแล้วก็ของความร้อนถ้าที่นี้มันไม่มีไม่มีความร้อนมันเป็นหิมะหนาวต้นไม้ก็ตายหมดถ้ามันแรงจัดไม่มีนะ้ำมันก็ตายเป็นทะเลทรายไปทะเลทรายนั้นเป็นที่ที่ไม่มีธาตุน้ำมีแต่ธาตุดินกับธาตุไฟคือความร้อนกับธาตุลมสามธาตุจึงมีแต่ทะเลทราย ถ้าที่เป็นขั้วโลกมีแต่หิมะอันนั้นก็ไม่มีธาตร้อนมันก็หนาวเป็นน้ำแข็งไปหมดมีดินแต่ก็ต้นไม้ก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้มีอากาศมีดินแต่มีธาตุไฟนิดเดียวน้อยมากมันจึงทาหนาวจัดกลายกลายเป็นหิมะไปกลายเป็นน้ำแข็งไปน้าก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งไป ของทุกอย่างในนอกนี้มันมาจากของสี่อย่างนีนะ้มาจากดินน้ำลมไฟเนี่ยไม้ที่เรานั่งอยู่นี้ก็มาจากต้นไม้ใช่ต้นไม้มันก็มาจากดินน้ำลมไฟสามกษัตนี่เขาก็กดขึ้นมาจากดินมันเป็นเหล็กกดมาขึ้นมาแล้วเขาก็มามาทำผสมมาใช้ไฟมาหลอมาม า, มารีดมันจากก้อนเหล็ก มาทำเป็นแผ่งนะของทุกอย่างมันมาจากดินน้ำลมไฟนะแล้วมันก็อยู่อยู่ไม่ถาวรมันก็มีอายุของมันบางอย่างก็ชารุดเร็วบางอย่างก็ชารุดช้าเช่นเหล็กนี่มันก็ทนทานกว่าไม้ไ ม, ไม้มันก็ผุเร็วกว่าเหล็กนะแต่มันช้าหรือเร็วมันก็ต้องผุไปต้องพังไปแม้แต่โลกทั้งใบนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องพังไป อย่างน้อยต่อไปดวงอาทิตย์มันก็ต้องไฟหมดใช่ไหมไฟที่มันลุกอยู่ในดวงอาทิตย์คิดว่าจะลุกไปตลอดนะมันก็เหมือนไฟที่เราเตาแก๊ส ท, ที่เราจุดไฟไว้นะเราจุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอแก๊สหมดมันก็ไฟก็ดับดวงอาทิตย์นี่ก็คือเตาแก๊สดีๆนี่เองไฟที่ลุกที่ดวงอาทิตย์นี่ก็เป็นแก๊สทั้งนะั้นเดี๋ยวสักวันนึงมันก็เผาหมดไหมหมด เอาเมาสาหมดไหมหมดมันก็จะเป็นเหมือนโลกเราเนี่ยที่ไม่มีไม่มีแก๊สละโลกเราต่อไปมันก็จะเสื่อมเดี๋ยวทุกโลกยังทักวันนี้มันก็ต้องแตกเป็นเสียงเสียงไปนี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาครอบครองตัวเรานะ่ะเป็นตัววิเศษเป็นซุปเปอร์แมนวย ตัวเรานี่ไม่มีวันตายแต่เราไม่รู้จักตัวเราเราไม่รู้จักความวิเศษของตัวเราแทนที่เราจะพึ่งตัวเราที่ไม่มีวันตายแล้วก็ไปพึ่งของที่จะต้องตายกันเราก็เลยทุกข์กันเนี่ยเราไปพึ่งร่างกายกันพอเราอยากจะใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราสามารถ มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาให้ถ้าเรารู้จักหยุดความคิดนั่งใจนั่งสมาธิทำใจให้นิง่งให้สงบนี่เราจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากทางร่างกายอันนี้แหละคือเป็นเป็นความรู้ที่พระเจ้าทรงตัดเจ้ารู้ทรงรู้ว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในตัวเราเราไม่ต้องทุกกับสิ่งต่าง เพราะว่าที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปหลงคิดว่าเขาให้ความสุขกับเราเราคิดว่าพอมีร่างกายแล้วเราจะมีความสุขเราจะไปทำอะไรได้ไปหาอะไรได้แต่เราไม่รู้ว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าร่างกายเป็นเหมือนใจก็ดีสิไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้ก็พึ่งร่างกายได้ ใจของเราเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรากลับไม่พึ่งกันเรากลับไปพึ่งของที่มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็เลยทำให้เราทุกข์กันวุ่นวายกันเศร้าโศากเสียใจกันความเศร้าโศากเสียใจก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาอยู่อยากไม่ให้เขาไปพอเขาไปเราก็เศร้าโศากเสียใจแต่ก็ไม่มีใครห้ามใครได้ถึงเวลาต้องไปกันทุกคน ถึงเวลาจะต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมเนี่ยร่างกายเวลาตายไปมันก็แยกไปคนละทิศคนละทางน้ำก็ไปทางนึงน้ำมันก็กลับไปรวมอยู่กับน้ำดินมันก็กลับไปอยู่กับดินลมมันก็กลับไปกับลมไฟก็กลับไปอยู่กับไฟดังนั้นเราต้องมาทำสองอย่างคือ มาพึ่งใจทำใจให้สงบแล้วก็มาปล่อยทุกอย่างที่เราเคยพึ่งอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอาศายมันก่อนที่เราจะปล่อยสิ่งต่างๆที่เราอาศัยอยู่ได้ตอนนี้เราต้องมีที่พึ่งงันใหม่ก่อนเหมือนก่อนที่เราจะาทิ้งบ้านเก่าเราก็ต้องไปสร้างบ้านใหม่ก่อนถ้าเราทิ้งบ้านเก่าแล้วเราไม่มีบ้านใหม่อยู่เราจะไปอยู่ที่ไหนใช่มสมมติก็จะมาเวรคืนบ้านเราเนี่ย ว่าเราที่เราอยู่ตอนนี้เขามาบอกต่อไปนี้จะเวรคืนว่ารี่ไปซื้ไซอไปหาบ้านใหม่อยู่นะเดี๋ยววันที่เท่านั้นเท่านี้จะมาเวรคืนแล้วนะดินน้ำลมไฟมันก็จะมาแจ้งบอกเราเดี๋ยวจะเวรคืนร่างกายนี้แล้วนะร่างกายที่คุณอศาศัยอยู่เนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวยไม่ไม่กี่วั น, นจะต้องขอเอาคืนแล้วนะคุณมีไปหาบ้านใหม่อยู่นะอย่าไปหาบ้านแบบเดียวกันนะ หาแบบเดียวกันเดี๋ยวก็โดนเวนคืนอีกเอาบ้านแบบที่ไม่มีใครมาเวนคืนบ้านที่ไม่มีใครมาเวนคืนได้ก็คือใจของเรานี่แหละมาสร้างความสงบในใจของเราแล้วเราก็จะมีที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าพอเรามาสร้างความสงบในใจได้แล้วทีนี้เราก็มีที่อยู่อาศัยแล้วเพราะความสงบในใจนี้ให้ความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากร่างกาย เราได้บ้านที่ดีกว่าแล้วบ้านที่ไม่พังไม่มีไม่ถูกเว้คืนเราก็ย้ายบ้านได้เราก็ทิ้งบ้านเก่าได้คนที่ได้ความสุขทางใจแล้วก็ทิ้งหมดดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านก็มีบ้านใหญ่โตกับพวกเราอีกมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีเงินทองใช้สอยอย่างเต็มที่เลยอยากจะกินอะไรอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรทำได้หมด แต่ท่านก็รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวต้องถูกเวรคืนหมดท่านก็เลยไม่เอาดีกว่าไปสร้างบ้านใหม่ดีกว่าท่านเลยออกบวชออกบวชแล้วก็ไปสร้างบ้านใหม่ไปบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบหยุดความคิดพอหยุดความคิดได้แล้วก็ควบคุมความคิดให้คิดไปในทางความเป็นจริงคิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอน พอคิดได้อย่างนี้ปับมันก็ไม่ทุกข์กับอะไรแล้วมันก็สบายร่างกายก็รู้แล้วว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนนึกว่ามันไม่ใช่เป็นของเราถึงเวลามันจะไปก็ให้มันไปถ้าเราปล่อยมันเวลามันไปนี้ไม่เดือดร้อนเลยไม่มีความทุกข์เลยที่เดือดร้อนกันเพราะไม่ยอมปล่อยกันเหมืนเวลาที่ เราแปรอะไรเอาอะไรแล้วคนเจ้าของก็ไม่ให้เราเนี่ยเราต้องแย่งกับเขาต้องดึงต้องลากกันเนี่ยเหนื่อยไหมเช่นไปแย่งลูกกันนะสามีภรรยาอยากกันนี้สามีก็อยากจะเอาลูไปไ้ภรรยาก็อยากจะเอาลูกไปกว่าจะได้นี่เหนื่อยไหมแย่งกันไปแย่งกันมาแต่ถ้าเราไม่มีถ้าทุกคนปล่อยนี่ก็ไม่ไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณอยากจะเอาไปเอาไปเลย คนกอนให้ไปก็สบายไม่เหนื่อยคนได้ไปก็ไม่เหนื่อยเนี่ยร่างกายของเราถึงเวลาเขาก็จะมาเอาไปเหมือนลูกร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนลูกของเราเดี๋ยวถึงเวลาสามีหรือภรรยา ก, ก็จะมาเอาไปแล้วล่ะตอนนี้เขาฝากให้เราเลี้ยงเข้าใจไหมร่างกายนี้เหมือนลูกเลี้ยงเราเลี้ยงเข้าไปเดี๋ยวสักวันเจ้าของร่างกายจริงเขาจะมาเอาไป เขาจะมาชำละร่างกายแล้วดินก็จะเอาส่วนดินไปน้ำก็จะเอาส่วนน้ำไปลมก็จะเอาส่วนลมไปไฟก็จะเอาส่วนลมไปไฟไปแล้วร่างกายหายไปไหนไม่มีเหลือเลยใช่ไหมไปดูคนตายเนี่ยหายไปหมดเลยเราไม่ดูของจิง ก, กันเราก็เลยหลงกันไม่ไม่ยอมมองกันกลัวกันไม่รู้ไปกลัวของจิกทำไมของจิกมันไม่กลัด เราไปกลัวของที่ไม่จริงที่มันคอยกัดเราอยู่เรื่อยเไปคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเป็นการมองของปลอมมันก็เลยกัดเราพอมองอะไรเป็นของเราเนี่มันทำให้เราทุกข์ไมถ้ามองว่าเป็นไม่เป็นของเรามันจะทุกข์ไหมนั่นเลยพยายามมองของจริงเสียของจริงไม่กัดของปลอมที่มันกัดที่เราทุกข์กันนี่เพราะเราไปอยู่กับของปลอมกัน เราไม่ยอมอยู่กับของจริงกันดันั้นเราต้องมาหัดคิดใหม่มาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนไปดีบ้างเปลี่ยนไปไม่ดีบ้างขึ้นขึ้นลงลงแล้วหนที่สุดมันก็ไปยุติตรงที่มันจบถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วใจของเราจะไม่อยากจะพึ่งมัน เราก็จะมาหาที่พึ่งอันหมายกันมาฝึกสติกันมาเจริญสติกันต้องพยายามสตินี่เป็นของวิเศษมากนละก็ง่ายเพียงแต่ว่ามันต้องทำอยู่เรื่อยๆเท่านั้นเองให้คิดอยู่คำ ว, ว่าพุโทโธคำเดียวเนี่ยคิดไปทั้งวันดูสิถ้าคิดได้ทุกวันหนึ่งราจะเห็นว่าโอ้โหใจเราเบาขึ้นเยอะเลยเคอยแบกภูเขาไว้ทั้งลูกไม่รู้สึกตัว เรื่องวุ่นวายต่างๆเรื่องวิตกกังวลต่างๆนี่มันเหมือนภูเขาไหมมันทำให้เราหนักอกหนักใจไเพราะเราไปคิดถึงมันใช่ไหมพอเราไม่คิดถึงมันนี่มันหายเลยเวลานอนหลับนี่สบายไปชั่วข่าวใช่เวลานอนหลับนี่เรื่องวุ่นวายต่างๆเรื่องวิตกกังวลต่างๆเรื่องหนักอกหนักใจต่างๆหายไปชั่วข่าวนอกจากคนที่คิดมากก็ไปเอาไปเอาไปแบกต่อในในในความฝัน นอนหลับแล้วก็ฝันฝันไรฝันไม่ดีแต่คนที่ไม่คิดมากพอถึงเวลาหลับก็หยุดคิดไว้ชั่วคราวเรื่องหนักอกหนักใจก็หายไปชั่วคราวพอตื่นขึ้นมาพอนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอีกแล้วสิไปแบกมันขึ้นมาอีกแล้วไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันมันจะดีก็ปล่อยมันดีไปมันจะเลวก็ปล่อยมันเลวไป ถ้าเราทำได้ทำอะไรได้ก็ทำไปไม่ได้ไม่ได้ให้ปล่อยแบบร้อยเปอร์เซ็นตของบางอย่างเรายัางพอที่จะรักษาได้ก็รักษาไปถ้ามันรักษาไม่ได้ก็อย่าไปฝืนมันจะทุกข์ไปเปล่าๆเช่นร่างกายนี้ถ้าตอนนี้ยังรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปดีกว่าอย่าไปทุกข์ทรมานไปกับมันเลยไม่เกิดประโยชน์ถ้าปล่อยแล้วใจจะไม่ทุกข์ ใจจะสงบจะสบายเหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยยัยงต้องมาพยายามฝึกสติกันมาสร้างเบรกมาหยุดความคิดกันให้ได้ถ้าเราพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยเรือมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เพราะใจมันจะคิดสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันจะ คิดอย่างอื่ยไม่ได้แต่ใหม่ๆมันจะสลับได้พุโทโธคําไปคิดถึงนั้นคนําีมันจะสลับไปสลับมาอยู่ใหม่ๆหม่แต่ถ้าเรามีกําลังมากๆเข้าต่อไปมันก็จะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้ว<ม>เวลาเริ่มต้นใหม่ๆนี้เวลาเราพุโทโธไป ม, ม, มันไปแวะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาอยู่เรื่อยเื่อถ้าเราเหนื่อยไม่อยากจะใช้พุโทโธเราใช้จดจ่อดูร่างกายก็ได้คอยเฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ กำลังแปลงฟันก็ให้มันอยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวดูเรื่องแปลงฟันอย่างเดียวเวลาหวีผมก็ให้มันอยู่กับหวีผมอย่างเดียว เ, เวลาแต่งหน้าทาปากก็ให้มันอยู่กับการแต่งหน้าทาปากอย่าปล่อยให้มันทาก็หยุดความคิดได้เหมือนกันมันก็มีหลายวิธีการสร้างสตินี้พระพุทธเจ้าบอกมีถึง40วิธีเรียกว่ากรรมฐาน40กรรมฐานก็คือเครื่องมือสร้างสติกัน ในกลุม่มในสี่สนี้ก็แบ่งเป็นหลายกลุม่มในกลุ่มหนึ่งมีเรียกว่าอนุสติอนุสตินี้ก็มีสิบชนิดพุทธานุสติเราคิดถึงพระพุทธเจา้าคิดถึงประวัติของพระพุทธเจา้าหรือคิดถึงพระพุทธคุณสวดบทพระพุทธคุณไปหรือจะเอาแค่พุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะลืมเรื่อ ง, งต่างๆที่เป็นที่เราไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็จะ หยุดวยความคิดได้นะ ใ, ให้คิดอยู่กับพุทธโธเลอกคิดอยู่กับบทพุทธคุณสวดบทพุทธคุณไปอิติปิโสอรหังสัมมาไปอันนี้เรียกว่าพุ ท, าพทธานุสติเอาพระพุทธจเจ้ามาเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่เจริญสติที่สร้างสติถ้าเราสวดบทธรรมคุณแล้วก็เอาธรรมมาเป็นที่ที่ที่สร้างสติเรียกว่าธรรมานุสติถ้าเราแลกถึงบท สังกคุณเราก็ใช้พระสงฆ์เป็นที่สร้างสติขึ้นมาเรียกว่าสังขานุสติถ้าเราใช้ลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอาณาปณะสติอาณาปณาะแปลว่าลมเข้าลมออกอาณาปานะลมเข้าลมออก<ม>เราก็มีสติอยู่กับดูลมเข้าลมออกดูเฉย ๆ, ๆไม่ต้องไปบังคับลม อย่าไปสูดหายใจแรงๆอันนี้ไม่ได้อันนี้เราไปเราไปทํางานแล้วเราไม่ต้องการให้จิตทํางานเราต้องการให้จิตปล่อยวางให้เฝ้าดูเฉยๆปล่อยวางลมอย่าไปบังคับลมลมมันจะหยากก็รู้ว่ามันหยากมันจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดมันจะหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจยาวก็รู้ว่ายาวาไม่ต้องไปบังคับให้มันยาวไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้น เดี๋ยวมันสั้นเดี๋ยวมันยาวเองถึงเวลามันจะยาวมันยาวเองถึงเวลามันสั้นมันสั้นเองให้ลู้เฉยๆอนาปนสาาตินี้จะเหมาะตอนที่นั่งสมาธิตอนที่นั่งเฉยๆจะดีแต่พุทธานุสติธรมมานุสตินี้สามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังอาบน้ำก็พุทโธไปก็ได้พุทธานุสติไปก็ได้ราลึกไปภายในใจ อ ย, อย่าส่งเสียงนะเพราะเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราไม่เข้าลบแต่ความจริงไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ผิดไม่เสียหายตรงไห น, นการนัเลิกถึงพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเองแต่ว่าประเพณีนิยมเขาก็บอกเป็นของสูงเราเข้าห้องน้านแล้วเราไม่ควเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าแล้วแต่ความจริงไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าบอกให้เราเลิกได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนเพียงแต่เรลึกในใจอย่าส่งเสียงออกมา เดี๋ยวไปนั่งในห้องน้ำแล้วก็สวดอิติปิโสไปเดี๋ยวคนข้างข้างเข า, ขาได้ยินเขาบอกไอ้อ น, นี่มันไม่เคารพไม่เคารพพระเจ้าเลยอันนี้การการยันยญสตินี้ไม่ต้องออกเสียงนะให้อยู่ในใจให้ร ล, ลึกอยู่ภายในใจสังขารนุสติอาณาปณะสติหรือเราจะระลึกถึงความตายก็ได้ว่าเนี่ยร่างกายของเราต่อไปก็ต้องตายนะร่างกายของคนนั้นก็ต้องตายร่างกายของคนนี้ก็ตาย ไม่คิดถึงความตายไม่ใช่แต่เฉพาะของเราคิดถึงทุกคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างคิดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นว่าไม่มีใครไม่มีใครเป็นเลยมีแต่ตายทั้งนั้นจะตายก่อนตายหลังนั่นเองตอนนี้เราไม่คิดกันเราคิดว่เป็นกันหมดเลใช่ไหมพอคนตายขึ้นมาทีตื่นเต้นตกใจกันกลายเป็นของแปลกประหลาดไปแต่ความจริงคนเป็นเนี่ยเป็นของแปลกประหลาดคนตายเนี่ยเป็นของจริง เราชาบไปอยู่กับของปลอมกันอยู่กับของปลอมพอไปเจอของจริงเราก็เลยทุกข์กันมีใครไม่ตายบ้างเกิดมากี่คนก็ต้องตายทุกคนนี่ก็เรียกว่ามรานุสติคิดแบบนี้ก็มรานุสติรเราจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหวก็ร่างกายกำลัง ทำอะไรอยู่ก็อยู่กับการกระทาของร่างกายเพียงอย่างเดียวร่างกายเดินก็อยู่กับการเดินร่างกายนั่งก็อยู่กับการนั่งยืนหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวารับประทานอาหารอาบน้ำแต่งตัวทำอะไรก็ให้เฝ้าดูร่างกายไปอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็เรียกว่ากายกัตตาสติ วิธีสร้างสติมีหลายวิธีด้วยกันถ้าสนใจก็ลองไปเปิดใน g o o g l e ดูนะเขียนนี่เข้าไปกรรมาฐาน40นก็จะมีให้เราเลือกยุบหนอพองหนอนี่มันก็แปลงมาจากอาณาปนานสติแทนที่จะดูที่ปลายจมูกก็ให้ไปดูที่หน้าท้องเวลาหายใจเข้ามันก็พองเวลาหายใจออกมันก็ยุบอันนี้ก็เป็นอาณาปนานสติ จะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะดูที่หน้าท้องก็ได้ให้ดูเฉยเฉยให้เฝ้าดูว่าลมกํลลาลังเข้าหรือกําลังออกลมหยาบหรือลมละเอียดลมสั้นหรือลมยาวให้เฝ้าดูแค่นี้เพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้การสร้างสติทั้งหมดในวิธีเหล่านี้มีเป้าหมายอยู่อันเดียวไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ในชีวิตความเป็นจริงนี้มันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำอย่างนี้ได้ทั้งวัน นอกจากเป็นพวกนักบวชถ้าพวกเราเป็นขาวาวเดี๋ยวเราไปทำงานเราก็ต้องใช้ความคิดตอนนั้นเราก็ให้มีสติอยู่กับความคิดของงานการก็ได้อันนี้กำลังคิดบัญชีกำลังคิดวางแผนก็คิดไปอย่าไปคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้อถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้ให้อยู่กับเรื่องงานการก็ยังถือว่ามีสติอยู่ พอเราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วมันจะไปคิดเพ้อฝันคิดไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสอันนี้เราต้องหยุดมันอยากปล่อยให้มันไปคิดเพราะมันกำลังจะพาเราไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจเพราะเวลาอยากได้อะไรแล้วมันก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วพออยากจะกินขนมนี่อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปห า, มมากินแสดงแล้วเราไปพึ่งขนมแล แทนที่จะพึ่งสติพึ่งความสงบเราไปพึ่งขนมแทนนะตอนนี้เราจะมาหัดพึ่งสติพึ่งความสงบโดยที่เราจะไม่กินนะกินขนมนมเนยไม่ดืม่มเครื่องดืม่มที่ไม่จำเป็นจะต้องดืม่มให้ดืม่มให้กินได้ตอนให้เป็นเวลาเหมือนเรากินยากินเพื่อร่างกายอย่าไปกินแบบตามความอยากก่อนนึกอยากจะกินอะไรก็คว้ามักมากินงเลงยอันนี้แสดงว่าเราไปพึ่งขนมนมเนยพึ่งเครื่องดืม่ม ให้เรากลับมาพึ่งสติดีกว่าให้กลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องพึ่งอะไรเวลาเราใจเราหิวเราก็พุทโธพุทโธไปพอหิวกาแฟก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็ลืมกาแฟก็หายหิวอิ่มขึ้นมาอันี้คือวิธีสร้างสติด้วยวิธีต่างๆลองทําดูเถิดทำได้แล้วจะสบาย ได้ไม่ต้องพึ่งอะไรเหมือนที่เรากำลังพึ่งอยู่ในตอนนี้แล้วพอเราพึ่งอะไรเราก็ต้องมาวุ่นวายไปกับมันแล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจต้องมาทุกข์กับมันเพราะไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็ต้องจากเราไปกันถ้าเราพึ่งความสงบได้พึ่งใจได้มันจะอยู่กับเราไปตลอดร่างกายเป็นอะไรเราก็ยังไม่เดือดร้อนเรายังมีที่พึ่งอยู่ที่ดีกว่าร่างกาย ถ้าเราพึ่งนั่งกายเดี๋ยวมันต้องเดือดร้อนแน่นอนเดี๋ยวมันแก่เดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวมันตายแล้วของต่างๆที่เราพึ่งมันก็ไม่แน่นอนว่าจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าเงินทองที่เรามีอยู่อันนี้มันจะปวดไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เพราอย่าไปพึ่งของที่มันไม่แน่นอนของที่เป็นของชั่วคราวมาพึ่งของที่แน่นอนดีกว่าเป็นมาพึ่งของที่ถาวรดีกว่าก็คือความสงบทางใจ ในการมาเจริญสติกันมาสร้างสติกันดึงตาขึ้นมาก็สร้างสติเลยหาเงินตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านเลยสติเนี่ยเป็นเป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนี้ไม่แน่นอนอาจจะหายไปเมื่อไหร่หมดไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทรัพย์ภายในนี้ไม่มีวันหายไม่มีวันหมด แล้วมาสัพภายในดีกว่าเพราะตื่นขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยหรือเฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังนอนอกํนาลังลุกกําลังยืนกํนาลังเดินเฝ้าออดูมันไปเ้วใจก็จะ ไ, ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดมันก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆตามมาใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขถ้าจะคิดก็คิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ต้องไปกังวลอะไรมันจะไปก็ให้ใหมันไป ไม่มีอะไรมันเที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันจะเสื่อมก็เสื่อมไปอะไรมันจะเสียก็เสียไปถ้าเราอยางต้องใช้มันอยู่ก็ซ่อมมันไปเปลี่ยนมันไปถ้าถ้าเปลี่ยนไม่ได้ซ่อมไม่ได้ก็อยู่อยู่กับธรรมชาติไปสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าก็อยู่กันได้ไม่มีน้าปาปลาก็อยู่กันได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตายอย่างไนก็ต้องตายอยู่ดี มีอะไรมากน้อยเพียงไหนถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันถ้าเรายอมรับความตายได้ยอมรับความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายได้เราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่อย่างมีความสุขก็ขอให้ลองไปปฏิบัติดูไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ต้องพยายามถ้าไม่พยายามไม่มีวันได้เพราะความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีความเพียรความพยายามไม่มีวันที่จะได้รับความสำเร็จท่านถึงบอกว่าดับทุกข์ได้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมีความเพียรมีความพยายามเราต้องขยันพุทโธขยันเจริญสติแล้วมันจะนาไปสู่ความสงบของใจ นำไปสู่ความคิดในทางปัญญาต่อไปแล้วพอเรามีความสงบมีปัญญาแล้วเราเราจะสามารถรักษาใจของเรานี้ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับของต่างๆที่จะต้องจากเราไปก็ลองไปทำดูนะการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุตติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร มีใครอยากจะถามอะไรไหมช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ก็ถามได้นะถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะมีคำถามจากทางบ้านตอนนี้ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กับ YouTube ไปทั่วโลกเลย มีโยมคนหนึ่งอยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่ฟังทุกวันเพราะเป็นเวลา9โมงเช้าของเขาพอดเราบ่าย2องเขากมงเช้ า, ชาบางคนก็อยู่ลาสเวกัสนะลาสเวกัสก็ตีเท่าไหร่นะนี่สองยามมั้งสยามมือตีหนึ่งสองตีสาม ลาสเวกันสิบสามนิวยอร์กสิบเบอ็ดชั่วโมงเท็กซัสสิบสองชั่วโมงลาสเวกัสมันก็สิบสามชั่วโมงอ่าคำถามทางบ้าน Oh, you want to ask anything? Okay. Alright. Nothing right now. c a l การเดินาครับครับผมผมก็ปฏิบัติธนาซันสติมาได้ระยะหนึ่งนะครับผมก็ได้ความสุขตงกับตามผมโคชิปฏิบัตได้ครับในการปฏิบัติอยู่สมัยหนึ่งคือคหมดจำบดอายตนะจหมดหูไม่ได้ยินนะครับไม่รับรู้ถึงลมหายใจไม่รับรู้ถึงกายอยู่มาตอนนั้นนะครับผมก็ จิตก็แยกออกมาเห็นตัวจิตเองว่ากายนี้ก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่อำหนจของเราฟังไม่ได้ครับผมเมื่อเขอากมาตอนนั้นความที่เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราก็บอกฟัืก็ต้องพยายามทําไปเรือ่อยๆให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ให้ไม่ให้ไม่ไปเรื่อสิ่งต่างๆให้มาเพื่อใจเพียงอย่างเดียวทุกวันนี้ก็ปฏิบัติแบบเต่าครับพอ ที่ที่เราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจอก็รวบดวงเข้ามาลงอยู่ทีใจครับผมสำรองรับมัดระวังใจไว้อย่าปล่อยไปตามสิ่งที่เราอาจิตมันจะ อ, ออกไปก็ออย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสารเส ร, ร, ส ร, ริญให้มาหาความสุขจากความสงบทํางานก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอนล้วนั้นเวลามานั่งสมาธิมาศึกษาธรรมะดีกว่าครับ ถ้ายังไปหาความสุขอยู่ก็แสดงว่าตอนนั้นหลงใช่ครับ ต, ต, ตอนนี้คก็มีเราอาเรื่องชีวิวตคารวะก็มันมีเรื่องกระทบใจหนักเย อ, อะอยัางอย่าไปคิดว่าเราเห็นแล้วครั้งเดียวแล้วมันจะทําให้เราหลุดพ้นได้มันหลุดพ้นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวพอเราจากสมาธิมาเราก็ถูกกิเลสหลอกให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งต่อไปเราต้องพยายามฝืนกิเลส เวลามันจะให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่ไปเราจะไปสมาธิแทนเราจะเข้าไปข้างในแทนเราจะไม่ออกไปข้างนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นงานตอนนั้นตอนที่เรานั่งมันเข้าไปข้างในมันได้พบกับความสุขแต่มันอยู่เดียวๆแล้วมันก็ออกมาพอออกมามันก็ไปหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสต่อ นานๆถึงจะกลับเข้าไปสักทีใช่ครับแล้วเวลาจะกลับเข้าไปก็ยากเพราะมันจะดึงเราไว้ไม่ให้เราเข้าไปถ้าสติเราไม่มีกำลังพอมันเข้าไปไม่ได้ถ้าเราอยากจะเข้าไปบ่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเราต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆเรานั่งอยู่บ่อยๆแทนที่จะนั่งดูทีวีก็นั่งสมาธิไปแทนที่จะไปเที่ยวไหนก็นั่งสมาธิไป มันถึงจะเข้าได้พอมันเข้าได้แล้วมันก็จะได้ปล่อยข้างนอกได้ปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสได้ปล่อยอะไรต่างๆได้ตอนนี้มันปล่อยไม่ได้เพราะมันยึดติดกันอยู่ยังต้องพึ่งต้องอาศัายมันอยู่เวลาไม่มีมันแล้วรู้สึกหงุดหงิดลำคานใจแต่ถ้าเราเข้าข้างใงนาได้เราจะหายจากความหงุดหงิดลำคาญใจเรงพยายามฝึกสติมาก ให้มีสติอยู่ทั้งวันเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเรามานั่งครับเพราวันนี้ก็ประสาทในการปฏิบัตครับถ้าไม่ได้ใช้ความคิดอะไรก็จะกลับมาที่ลมหายใจตัวเองครับแต่ถ้ า, าใช้ความคิดก็ใช้ในความคิดของเรื่องกนนารงานแต่ถ้าหากเกิดหลงไปแล้สติ ก, ก็ดึงกลับมาเอาถ้ามันคิดไปในทางความหนองก็เดี๋มันคิดไปในทางความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรามันก็จะหายหลง อ๋อใช่ไหมพอใจล้วไหมถา อ, อว่ามาคำถามจากคุณอมศินป์สำหรับสาวประเภทสองการไปปฏิบัติธรรมที่ต้องนอนรวมสาวประเภทสองสามารถนอนรวมกับผู้หญิงผู้ชายได้หรือไม่คะแล้วจะเป็นการผิดศีลหรือเปล่าคะถ้าผิดผิดข้อไหนบ้างคะเคยจะเป็นเ พ, เพศ2แล้วเพศหนึ่งมันก็มีความอยากเหมือนกัน ก็เราเราก็ต้องถามว่าเราเราอยากอะไรเราอยากผู้ชายแล้วเราอยากผู้หญิงถ้าเราอยากผู้หญิงก็อย่าไปนอนกับผู้หญิงถ้าเราอยากผู้ชายเราก็อย่าไปนอนกับผู้ชายเราอย่าไปดูที่เพศของเราเราดูที่ความอยากของเราไม่งั้นเดี๋ยวเราเราเป็นผู้ชายแต่ยเราเราอยากผู้ชายเราเป็นผู้ชายเป็นอาผู้ชายมันก็ใกล้กันอสิเดี๋ยวไฟก็ลุกกัสิจำไหมที่เขาให้แยกกันเพราะเขากลัวไฟจะลุกไง น้ำมันกับไฟก็มักจะไม่เก็บไว้ที่เดียวกันน้ำมันเขาเก็บไว้ด้านหนึ่งไฟเก็บไว้ด้านหนึ่งผู้หญิงก็อยู่ด้านหนึ่งผู้ชายก็อยู่ด้านหนึ่งที่วัดนี่เขาจะมีแบ่งเป็นโซนๆไปโซนผู้หญิงโซนผู้ชายพระจะไม่ไม่ปนกันดังนั้นไม่ได้อยู่ที่เพศแล่ะสมัยนี้มันต้องอยู่ที่ใจเราว่าเราเราอยากอะไรอยากสิ่งไหนอย่าไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นใช่ไหมขณะเป็นผู้หญิงผู้ชายอยากรูปเสียงกลิ่นเราก็ยังต้อง ไปถือเสียแปลกกันใช่ไหมไม่ให้ไปอยู่ใกล้รูปเสียงกลิก่นรดถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวใกล้ทีวีเนี่ยมันก็อดที่จะเปิดดูไม่ได้ใกล้ตู้เย็นมันก็อดที่จะเปิดดูไม่ได้เอ็นต้องไปอยู่ห่างไกลกับของที่เราอยากนะไม่ไม่จำเป็นว่าจะเป็นเพราะว่ามันมีหญิงเพศสองชายเพศสองนี่มันจะแบ่งกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่เมืองนอกมันวุ่นวายกันที่อเมริกาเนี่ยมันวุ่นวายกันเดี๋ยวนี้มันจะแบ่งห้องน้ำกันแล้วสิว่า ต้องมีห้องน้ําอีกไอไอคนที่บอกฉันเป็นผู้ชายแต่ฉันคิดเป็นผู้หญิงฉันก็ต้องไปใช้ห้องน้ําผู้หญิงผู้หญิงบอกฉันเธอมผู้ชายจะมาใช้กับผู้ผู้หญิงได้ยังไงวะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมากลายหาว่าเป็นเรื่องกีดกันกันมันก็ยากนะคนเราบางทีมันมันไม่ทราบแหละมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แล่ละที่ไป ใจเป็นชายแต่ไปได้ร่างกายที่เป็นผู้หญิงนี้มันก็ลำบากใจที่เป็นผู้หญิงไปได้ร่างกายเป็นผู้ชายมันก็ลำบากอัก็ต้องถือหลักของทางพุทธศาสนาสอนว่าเราให้รู้จักสังคมดีกว่าเราอย่าไปบังคับสังคมมาให้ทาตามเราดีกว่า ว่าสังคมเขาแบ่งว่าเป็นหญิงเป็นชายด้วยดูที่อวัยวะเพศเราก็เยอะถึงแม้ว่าเราจะมีอวัยวะเพศเป็นหญิงแต่ใจเราเป็นชายเราก็ต้องไปใช้ห้องน้ําของผู้หญิงอย่าไปใช้ห้องน้ําของผู้ชายใช่ไหมถ้าเราเป็นเป็นชายเราถ้าร่างกายเป็นชายก็ไปใช้ห้องน้าของชายไปถ้าร่างกายเป็นหญิงก็ไปใช้ห้องน้ําของหญิงไป ถึงแม้ว่าใจเราจะเป็นชายก็ตามใจเราจะเป็นหญิงก็ตามมันมันมองไม่เห็นอ่ะให้ในใจเอาสิ่งที่มองเห็นดีกว่าอย <Yeah. S 1> ั้นถ้าเราอยากจะอยู่ในสังคมที่เราเราเร า, เราปลอดภัยเราไม่เป็นปัญหากับใครก็เก็บเรื่องในใจเราว่าอย่าไปปล่อยออกมาเข้าใจไหมเราเป็นหญิงเราเราจะคิดว่าเราเป็นชายก็เรื่องของเราแต่เวลาเราทําตัวกับสังคมเราต้องทําตัวเป็นผู้หญิงแล้วมันปลอดภัยมันไม่มีปัญหา ถ้าเราเป็นมีร่างผู้หญิงแล้วเราทำตัวเป็นผู้ชายแต่งกายเป็นทอมเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปไหนมันก็เป็นเหมือนกับของแปลกไปใช่ไหมแล้วถ้าเป็นผู้ชายแล้วไปแต่งตัวเป็นหญิงเงียมันไปไหนมันก็กลายเป็นของแปลกไปเราจะทำให้เราอยู่กับคนอื่นได้ยากพระพุทธเจ้าจึงสอนบอกให้รู้จักสังค ม, มให้รู้จักตนตนก็คือเราเป็นใคร เราเป็นหญิงหรือเป็นชายใจเราจะคิดว่าเราเป็นอย่างไรก็เรื่องของมันแต่ต้องดูที่ร่างกายาแล้วว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นอะไรเหมือนเราไปขับรถเนี่ยเขามีที่จัดรถขับที่แบ่งให้โซนให้จอดรถรถบรรทุกจอดโซนหนึ่งรถกระบะโซนหนึ่งรถบัสโซนหนึ่งเราขับรถบัสแต่ละเร า, เร า, เ, ราเราคิดว่าเราเป็นขัดเราเป็นรถเกง๋งเราไปจอดที่โซนรถเก๋งมันก็ยุ่งเลยอันนี้เราไม่ได้พูดเพื่อบังคับธุบรกิจกัน หรืออะไรใครนะไม่เขารบสิทธิ์กายไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันต้องมีเหตุมีผลถ้าเราอยากจะอยู่กันร่วมกันอย่างไม่มีปัญหาเราก็ต้องเขารบกฎกติกาของสังคมสังคมเขาเขาแบ่งกันด้วยเพศเร้ก็ต้องเพศทั้งทางร่างกายเราก็ต้องเขารบกฎของสังคมนั้นร่างกายเราเป็นผู้ชายก็เข้าไปเข้าห้องน้าผู้ชายไปก็หมดเรื่องถึงแม้ว่าใจเราจะเป็นผู้หญิงก็ตางหรือว่าถ้าเรา ร่างกายเป็นผู้หญิงแต่ใจเราเป็นผู้ชายเราจะไปใช้ห้องน้ํากับผู้ชายมันก็ยุ่งองเงี้ยนะท่านในหัวให้รู้ตนหรือว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนัเป็นพระหรือเป็นฆราวา่าเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ไหมเป็นพระก็ต้องแยกไปอยู่โซนหนึ่งเป็นคาราวาก็อยู่โซนหนึ่งแล้วไปบอกว่าฉันเป็นพระแต่ใจฉันเป็นโยมนีงได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ยุ่งเลย โยมจะบอกฉันเป็นโยมแต่ฉันใจฉันเป็นพระฉันจะไปอยู่กับพระได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่มันต้องเข้ารบกฎกติกาของสังคมแล้วมันจะได้ไม่วุ่นวายแต่ทุกวันนี้โลกมันไม่มีจุดยืนแล้วมันไปถือหยัดถือหลักว่าอะไรสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดของตนยืนยันสิทธิของตนโดยที่ไม่มองความเป็นไปได้หรือความเป็นจริงมันก็เลยทําให้วุ่นวายไปหมด แล้วกลับไปหาว่าเขากี่ดกันเราเพราะเราไม่ได้เป็นเหมือนเขาใช่เราไม่เป็นเหมือนเขาถ้าเราอยากอยู่กับเขาเราก็ต้องทำตัวให้เหมือนเขาสิใช่ไหมถ้าเราไม่อยากจะอยู่กับเขาเราก็ไปอยู่คนเดียวมันก็หมดปัญหาไปเั้นก็คำตอบก็คือเราต้องอยู่กับเพศที่เราไม่ชอบไม่ใช่ไปอยู่กับเพศที่เราชอบถึงแม้แว่าเราจะเป็น ร่างกายเป็นชายแต่ใจเราไปชอบผู้ชายเงี้ยเขาถึงไม่ให้บวชไงเพราะว่าบวชแล้วเดี๋ยวมันจะยุ่งถ้าจะบวชทา่านไปบวชชีแทนอว่าอะ้รคถามจากคุณขันติพงศ์เมื่อกายดับจิตจะรู้ตามสัญญาเหมือนเดิมหรือไม่ครับหมายถึงทั้งอดีตชาติและชาติที่พึ่งจากไปครับ อันนี้ความจํานี่มันแล้วแต่ความสามารถคนบางคนความจําดีบางคนจําไม่ดีคนจําดีนี่ก็ย้อนระลึกระลึกชาติได้คนที่จําไม่ดีเมื่อช้างนี่กินอะไรยังจําไม่ได้เลยคําถามจากคุณบุตรพุทธเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ทําทานบา ร, รมีเต็มที่แล้วเออถ้ายังยังมีเงินอยู่ก็ถ้ายังไม่เต็มที่ ต้องทำให้หมดนั่นน่ะถึงจะเต็มที่แล้วก็ไปบวชได้ทานบา ร, รมีนี้มีไว้เพื่อให้เราไปออกเป็นเนี่ยขมมะบาลมีเพื่อเราจะได้ไปปฏิบัติศิลบาลมีเนี่ยขมมะบามีได้เหมือนเรียนหนังสือนะ่เราต้องจบป .1 เราถึงจะขึ้นป .2 ออได้ถ้าเรายังนไม่จบป .1 เราก็ต้องอยู่ป .1 ไปเรื่อยๆถ้าเรายังมีเงินอยู่ยังทำทานได้ก็สแสดงว่าเรายังทาไม่จบยังเรียนไม่จบ อย า, ากจะเรียนให้จบนี้เงินเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไป ห, หมดเลยเนี่ยคนที่เขาไปบวชกันเนี่ยเขาทําอย่างนี้กันทั้งนั้นเน่ยเขาเงินทองเท่าไหร่เขาให้คนอื่นไปหมดเขาจะได้ไปเรียนขั้นที่สอ ง, ข, สองขั้นที่สาต่อไปไปเรียนขั้นในยคัมมะบาลามีขั้นอุบเบกขาบาลามีปัญญาบรารมีไปเนี่ยคำถามจากคุณ น, นางฟ้านั่งสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิบริกรรมพุโทโธอยู่ตลอดนั่งๆั่งอยู่เหมือนหลับอูบ เหมือนหลับในชั่วขณะวินาทีดึงสติกลับมาที่พุทโธก็เกิดวูกอีกเป็นระยะระยะไม่ได้สนใจพยายามบริกรรมพุทโธเมื่อได้สติอาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะลูกปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมคสับประงก์ไงสับไม่งกคือไม่หลับตลอดเวลาหลับเป็นพักๆก็ลุกขึ้นมาเดินดีกว่าแล้วถ้าอยากจะไม่สับประงกไปหาที่นั่งที่มันน่ากลัวดีกว่าไปนั่งในป่าชาด รับรองได้ว่ามันจะไม่สับประงอกหรือภาพบางรูปท่านไปนั่งที่ปากเหวถ้าสับประงกอกโค้ทิ่มลงลงเหวไปเลยอย่างนี้รับรองได้ว่ามันจะไม่สับประงอกะมันจะตื่นขึ้นมาทันทีคำถามจากคุณลุ่งรัดทำไมนรกหลุมลึกๆเช่นนรกอเวจีถึงส่งบุญไปไม่ถึงครับคือคาว่านรกนี่แปลว่าความทุกข์ใจความทุกข์ใจมันก็มีหลายระดับ ระดับเบาระดับกลางระดับหนักเมื่อมันระดับหนักเต็มที่มันทุกร้ยเ์เซ็ตทุกอณูของใจทุกช่องของใจมีแต่ความทุกข์ความสุขก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าทุกปานกลางมันอาจจะมี 50- 50ยังพอมีสุขบ้างสลับกันทุกอาจจะเบาลงไปบ้างแล้วสุขโผล่ขึ้นมาหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของระดับของความทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจเราใจเราก็เป็นเหมือนตู้เงี้ยเราใส่ของ ได้หลายชนิดถ้าเราสายชนิดเดียวมันก็เต็มตู้ช่องอย่างอื่นก็เอาใส่ไปไม่ได้ใจเราเวลาทุกข์มากๆทุกข์ร้อยเซนี่ยก็ไม่มีช่องให้ความสุขเข้าไปเลยแต่ถ้าเราทุกข์เพียงระดับครึ่งหนึ่งเราก็ยังมีมีความสุขเข้าไปได้บ้างยานการทําบาปมันมันมีน้ําหนักโทษต่างกันไงมีความทุกข์มากน้อยต่างกันถ้าทุกข์มากๆมันก็ มันก็จะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวในนรกนี่มีความทุกข์อย่างเดียวถ้าพวกเปรตพวกเดรัชานี่มันยังมีสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปแต่ทุกส่วนใหญ่สุขส่วนน้อยมาเป็นมนุษย์เนี่ยถึงจะได้ห้าสิบ้าสิบแล้วถ้ามีบุญมันก็จะทำให้มีเพิ่มจากห้าสิบเป็น6กสิบ0ี่สิบเจ็สิบสมสิบไปตามกำลังบุญที่เราทำไปถ้าเราทำบาปบาปมันมากกว่าบุญ มมมันนนนก ก, กก็็จะีีทุุาาอสเปย่ง้คำถามจากคุณการนาเบื่อหน่ายวิถีและวิธีดำรงชีวิตทางโลกทำให้เฉยเฉยไม่มีกระจิตกระจายจะทำงานบางอย่างสงบที่เคยทำทั้งที่เป็นเดิมคนขยันทำงานมากการเฉยเฉยทางโลกกับ อ, อุเบกขาทางธรรมแตกต่างกันอย่างไรคะ คืออุเบกขาทางธรรมนี้จะเฉยทางใจทางอารมณ์จะไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้เรียกว่าอุเบกขาทางธรรมทางโลกนี้ทางมันกิเลสเบื่อนายเบื่อนายแล้วก็แล้วก็ทุกข์แต่ทางทางธรรมนี้อุเบกขาไม่ทุกข์ไม่แต่สุขต่างกันตรงนั้นเฉยเฉยแบบทุกข์กับเฉยแบบสุขถ้าเฉยแบบทุกข์นี่เป็นกิเลส แ้าเฉยแบบสุกนี้เป็นธรรมคำถามจากคุณแบมโยมภาวนาพุทโธในช่วงวันตามที่พระอาจารย์เทศสอนพยายามภาวนาตลอดวันจนกระทั่งวันหนึ่งจิตบอกตัวเองว่ากายไม่ใช่ของเราและจิตถอยออกมาพิจารณาเวทนาที่เกิดในกายว่าเกิดดับมีความไม่เที่ยงถ้าการพิจารณาเวทนานให้กายหลุด โยมจะมาภาวนาพุโทโธใหม่โยมทําอย่างนี้จะส่งผลให้เจริญภาวนาได้ไหมคะก็คือก็เป้าหมายของการภาวนาก็เพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บของร่างกายดัยงนั้นถ้าเรายังยังไม่ปล่อยเราก็ต้องภาวนาต่อไปต้องคอยสอนใจเตือนใจว่าละาเราห้ามเขาไม่ได้ร่างกายเขาจะตายแล้วห้ามเขาไม่ได้ร่างกายเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วห้ามเขาไม่ได้ แต่เราห้ า, ามใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับเผาได้ที่เรามาปฏิบัตินี้เพื่อมาห้ามใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความตายของร่างกายเราจะไม่ทุกข์ก็ต่อเมื่อเรามีสติหยุดความอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะความทุกข์นี้มันเกิดจากความอยากของเราไม่ใช่เกิดจากความเจ็บหรือเกิดความตายของร่างกายดะงนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อหยุดความอยาก อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ให้ได้คือยินดีที่ให้มันเจ็บยินดีที่ให้มันตายชอบชอบเจ็บชอบตายแล้วก็จะมีความสุขก็นถ้ากลัวเจ็บกลัวตายก็จะมีแต่ความทุกข์อันนี้ให้เรามาเปลี่ยนใจใหม่มาหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบให้เราชอบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าก็อยากไปชอบมันชอบดูหนังฟังเพลงก็อยากไปชอบมันเพราะชอบแล้วเวลามันไม่ได้มันจะทุกข์ หรือเวลาเสียไปมันจะทุกข์ถ้าไม่ชอบแล้วเวลาเสียไปจะไม่ทุกข์ในทางตรงข้ามถ้าไปชอบในสิ่งที่เราต้องได้ถ้าไม่ถ้าไปไม่ชอบในสิ่งที่เราได้เราก็ที่เราต้องได้เราก็จะทุกข์เช่นเราไม่ชอบเจ็บ่ายได้ป่วยพอได้มันมาก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไปชอบความเจ็บ่ายได้ป่ยวยเวลามันมาเราก็จะดีใจเนี่ยมหาธรํมใจให้เราชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบ กด้วยการนั่งให้มันเจ็บแล้วก็อยู่กับมันไปอยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบมันเองอ่ะเหมือนคนที่เราไม่ชอบเนี่ยอยู่กันไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบกันเองนะมันอยู่ไปเรื่อยพอมันชินกันมันรู้จักกันมันเข้าใจกันแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่รังเกียจกันมันก็อยู่กันได้เนาะเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อมาสอนใจให้ชอบความเจ็บสอนให้ชอบความตายกัน แล้วเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บเวลามันมาเราจะไม่ทุกข์กับความตายเวลามันมานี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติจะทำได้ก็ต้องใช้สติและปัญญาสติก็หยุดความคิดไม่ชอบเสียปัญญาก็สอนใจว่าอยากไปไม่ชอบในสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราเพราะถ้าไม่ชอบแล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลามันมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องชอบ คำถามจากคุณติมอาจารย์ครับอธิบายเรื่องอวิชชาให้ฟังหน่อยครับอวิชชาก็คือความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนความสุขแท้จริงอยู่ที่ใจเราคือความสงบไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราอันนี้ก็อวิชชาเราไปคิดว่าอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเรานี่เป็นอวิชชาทั้งนั้นเราไปคิดว่าอนันสุขอนี้สุขนี่เป็นวิอวิชชาทั้งนั้นเพราะมันทุกข์ทั้งนั้นะ ได้อะไรมาแล้วสุขหรือทุกข์อะได้มาแล้วเวลาเสียไปมันสุขหรือทุกข์เวลาได้มาก็ดีใจแล้วก็ทุกข์กับมันแล้วสิกลัวมันจะกลัวมันจะไปกลัวมันจะจากเราไปนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วความห่วงความโหยงนี่ก็เป็นความทุกข์แล้วเวลามันจากไปก็เสียใจก็ทุกข์อีกเนี่ยเรามองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันนี่ก็เรียกว่าอวิชชาเหมือนกันมองไม่เห็นทุกข์ มองไม่เห็นอนิจจังมองไม่เห็นอนัตตาคนที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นคนที่ไม่มีอวิชชาคำถามจากคุณยานิสาชอบฟังเทศได้บุญมากกว่าสวดมนต์หรือเปล่าคะหรือได้เหมือนกัน อ, อ๋อถ้าถ้าสวมดมนต์โดยที่ไม่เข้าใจความหมายก็ได้เพียงสมาธิถ้าฟังเทศแล้วเข้าใจความหมายก็ได้ปัญญา บุญที่เกิดจากปัญญานี่ดีกว่า บ, บุญที่เกิดจากสมาธิเพราะบุญที่เกิดจากสมาธิยังเป็นบุญชั่วคราวอยู่แต่บุญที่เกิดจากปัญญานี่จะเป็นบุญถาวรคำถามจากคุณโมนีเวลาจะชวนคนไปทำบุญฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมแล้วเขามักจะพูดว่ามันอยู่ที่ใจ คิดดีทําดีพูดดีก็พอแล้วเพราะบางคนเข้าวัดบ่อยๆแต่จิตใจไม่ดีก็เยอะแยะไปขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะได้ค่ะก็ถ้าคิดดีทําดีพูดดีได้อยู่ที่ไหนได้ก็ก็โอเคไม่มีปัญหากลัวมันจะไม่ได้สิมันจะคิดดีพูดดีทําดีในบ่อนได้ไหมในบาร์ได้ไหมในที่ทํางานได้ไหมมันจะตีกันอยู่เลยเห็นไหมอยู่ที่ทํางานแกลงแย่งชิงดีกันมันจะใบสับเพสตาได้ยังไง มันต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันมันถึงจะไปหัดคิดดีพูดดีทําดีได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราคิดดีพูดดีทําดีได้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นก็ได้ไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้คนที่เข้าไปที่วัดไปหาที่สงบเพราะเขาจะทําให้เขาคิดดีทําดีได้ง่ายคำถามจากคุณวิไลรับพระที่ป่วยอยากฉันอาหารโดยสั่งญาติโยมให้นํามาถวายจะผิดศีลไหมคะ ไม่ผิดศีเน่แต่เป็นผิดสัมมนาวิ ส, ส um. ัยเป็นพานีชท่านให้มักน้อยสันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดคำถามจากคุณเกษราสามีลูกเป็นคนชอบเครียดชอบบ่นแล้วเขาก็ทำบุญทุกเช้าแต่ชอบด่าลูกจะทำอย่างไรกับเขาดีลูกไม่เคยสบายใจเลยค่ะก็ปล่อยเขาเสิปล่อยเขาแล้วก็จะสบายใจพอพอไปยุ่งกับเขามันก็ไม่สบายใจ คำถามจากคุณจักริดเมื่อทำบุญใส่บาตรเวลากวดน้ําเราควรกวดน้ําให้ใครก่อนใครหลังครับแล้วแต่เราเราอยากจะกวดให้ใครก่อนก็กวดไปไม่ต้องใช้น้ําก็ได้เวลาทําบุญน้ํานี่ไม่ใช่บุญที่เรากวดนี่เราปวดบุญเห็นแต่บุญมองไม่เห็นเขาก็เลยเอาน้ํามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่านี่น้ํานี่เป็นเหมือนบุญนะเราเทไปก็เหมือน้มันก็ไหลไปตามที่ต่างๆ ใจของเราที่มีความสุขนี่เราก็สามารถส่งไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เราจะนึกถึงใครก่อนก็นแล้วแต่เราเรารักใครมากก็เอาคนนั้นก่อนรักใครน้อยก็เอาคนนั้นน้อยแล้วแต่เราเราอย า, อยากจะส่งไปให้ใครแล้วก็เราก็เราลึกไปภายในใจไม่<ำ>ลอวเหรอนี่ค่ ะ, ะคำถามจากคุณเขมทำไมเวลาทําบุญให้ทานไม่ค่อยมีความรู้สึกว่ามีความอิ่นใจเห็น คนอื่นบางครั้งทำทานไม่มากแต่เขามีความสุขอิ่มใจดีใจมากแต่ตัวเองไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ก็พยายามทำอยู่ตลอดค่ะหนึ่งอาจจะทำน้อยไปสองทำโดยไม่ไม่ได้มีความทำไม่ถูกวิธีทำแล้วอยากจะได้สิ่งตอบแทนทำแล้วอยากจะให้เขาประกาศชื่อเราอะไรอย่างนี้อยากมีหน้ามีตาจากการทาบุญ แล้วพอทำแบบไม่มีหน้ามีตามัมนกไ็ไม่รู้สึกมีความอิ่มใจถ้าอยากจะมีความอิ่มใจต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือทาแบบที่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากใครและต้องการความอิ่มใจอย่างเดียวต้องการช่วยเหลือคนอื่นให้คนที่เขารับของจากเราไปนี้ให้เขามีความสุขถ้าทำอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขเช่นเห็นขอทานเดินมาเขาไม่มีข้าวกิน เรามีข้าวจานสุดท้ายเราจะกำลังจะกินพอดีแต่สงสารเขาเอายกข้าวนี้ไปให้เขาเรายอมอดข้าวแทนเนี่ยถ้าให้ข้าวเขาไปเราเสียสละอย่างจริงๆจังๆเนี่ยใจของเราจะมีความสุขมากคําถามจากคุณชาติยาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอยู่ที่ใจหมายความว่าอะไรคะหรือว่าใจเรานั่นเองคือพระพุทธธรรมสมค์คะคือ พ, tarde, elite, พ, พระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตัดสรู้ธรรมพระธรรมคำสอนก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกก็คือผู้ที่นำเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอันนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นธรรมที่ใจ แล้วพเห็นธรรมที่ใจก็จะเห็นว่าธรรมนี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นพระพุทธเจ้าที่ใจอันนี้เป็นพุทธแท้ทำแท้สังแท้สังฆะแท้อยู่ที่ใจพอดับความทุกข์ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้างนอกยังดับความทุกข์ไม่ได้ตอนนี้พวกเราก็มีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแต่มันยังอยู่ข้างนอกเหมือนกับยาที่ยังอยู่ข้างนอกร่างกายอยู่ยังไม่ได้กินเข้าไป โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายยังไม่หายถ้าอยากให้โรคภัยไข้เจ็บเข้าหายก็ต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ข้างนอกให้เข้าไปข้างในต้องกินยาถ้าเราอยากจะหายเวลาหมอให้ยามาเราก็ต้องกินยาพอเรากินยาแล้วยาเข้าไปในร่างกายมันก็ไปทําการฆ่าเชื้อโรครักษาร่างกายให้หายได้ใจของเราก็มีเชื้อโรคมีกิเลสตัณหาต่างๆ พระพุธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ข้างนอกนี้ยังไม่ได้เข้าไปข้างในต้องเอาเข้าไปข้างในวิธีเอาเข้าไปข้างในก็เข้าด้วยวิธีสุปฏิปันโน่ไงพอปฏิบัติปฏิบัติชอบก็เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาแล้วพระอริยสงฆ์ขึ้นมาพอเป็นพระอริยสงฆ์ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมกับพระพุทธเจ้านี้เป็นอันเดียวกันธรรมออกมาจากพระพุทธเจ้ายังถ้าข่ายเห็นธรรมก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้า การเห็นพุทธเจ้าก็เท่ากับเห็นธรรมนั้นอันนี้แหละจะเป็นของแท้พอเข้าไปในใจแล้วกิเลสตัณหานี้จะตายหมดเลยหายหมดความทุกข์จะหายไปหมดดังนั้นเราต้องกินยากันเราต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกให้เข้าไปสู่ภายในใจน้อมเอาคําสอนพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยการปฏิบัติแล้วเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับพระพุทธเจ้าสละราชาสมบัติแล้วก็สละสมบัติ พระพุทธเจ้าไปบวชเราก็ไปบวชพระพุทธเจ้าไปทรมานตัวอดข้าว49วันแล้วก็อดแค่ ว, วันละมื้อก็เพาะกินวันละมื้อก็พอไม่ต้องไปถึง49วันทำอย่างนี้ไปปฏิบัติไปแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นมาพอเป็นสุปฏิปันโนก็เป็นอริยสงสาวก ข, ขึ้นมาเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาพอเป็นพระสงฆ์ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมนะ เห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะดับความทุกข์ภายในใจได้อันนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจเราต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกก่อนเราถึงจะสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจขึ้นมาได้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกเราก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอน พวเราจะไปปฏิบัติกันได้อย่างไก็ทำแบบศาสนาอื่นไปศาสนาอื่นสอนได้อย่างมากก็แค่ไปสวรรค์ทำบุญทำทานรักษาศีลแต่ไม่ได้สอนให้ไปนิพพานไม่สามารถดับความทุกข์ใจให้หมดไปได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนเท่านั้นถึงจะดับได้คำถามจากคุณเจน เวลาเราถือสินกินเจเราจะได้บุญมากใหม่ครับก็บอกแล้วไงนะถ้าถ้ากินเจมันก็เหมือนวัวควายเนี่ยวัวควายมันก็กินผักกินหญ้าบุญไม่ได้อยู่ที่การกินผักกินหญ้าหรอกถ้าถ้าบุญอยู่ที่กลียงกินเจวัวควายมันก็ต้องได้บุญมากกับพวกเราสิบุญทางพระพุทธศาสนาก็แสดงไว้ฟังแล้วเกิดจากการทำทานเนี่ยถ้าเราเอาเงินทองนี่ไป ไปช่วยเหลือคนอื่นไปให้คนอื่นไปสอ่องเคาะคนอื่นให้บรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นนี่อันนี้เ ร, เรียกได้บุญแล้ะหรือเรารักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราเป็นคนที่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่เพื่อมาทํากับข้าวถ้าเราเลิกฆ่าอย่างนี้ก็เราก็ได้บุญแต่ถ้าเราไม่ได้ฆ่าเองเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าแล้วมีของขายของที่ตายแล้วในตลาดเราซื้อมากินมันก็ไม่บาปมันก็ไม่ได้บุญ มันเป็นเพนเหมือนก็เป็นเหมือนกับกินผักหรืไม่กินผักบุญไม่ได้อยู่ที่ว่าการกินผักหรือไม่กินผักบุญอยู่ที่การทําทานอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้ยกินเจแล้วไม่มาฟังธรรมกับคนที่กินเนื้อแล้วมาฟังธรรมคนมาฟังธรรมได้บุญกว่ากับคนที่กินเจแต่เนื้อนี่เรากินต้องเป็นเนื้อที่เราไม่ได้ฆ่าเองหรือสั่งให้ฆ่านะ เป็นตามร้านอาหารก็มีค้าวอยู่ขายอยู่แล้วเราไปซื้อมากินอย่างนี้ไม่บาปแต่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้บุญไม่บาป ก, กินผักสั่งผักที่ร้านมากินก็ไม่ได้บุญเหมือนกันอยากจะได้บุญมาฟังเทศฟังธรรมแล้วมันจะได้รู้ว่าบุญกับบาปเป็นยังไงที่ได้ฟังมาแล้วอาจารย์อคนเขารักขโมยของแล้วโดนตำรวจจับ แล้วเขาถามว่าอา้าจะกินอะไรก่อนไหมเขาบอกอ๋อขอไปกินเจแล้วกันครับขออาหารเจช่วไปกินเจแต่แเราก็โวยขออื่นคำถามจากคุณแบงค์ปฏิสมุติประบาดคือความหมายจริงๆคืออะไรครับใช่ทุกสมุทรไทยนี้รอดมักหรือเปล่า อ, อ๋อไม่เป็นการทำงานของกิเลสของอวิชชาอาวิชชามันหลง มันไม่รู้ว่าความสุขอยู่ในใจมันก็เลยออกไปหาความสุขข้างนอกมันก็เลยต้องใช้สังขารเพื่อมาสั่งร่างกายต้องคิดก่อนว่าวันนี้ไปกินกว๋วยเตี๋วดีไ้ยไปดื่มกาแฟดีไหมไปดูหนังฟังเพลงดีไหมพอคิดว่าดีปับ๊บมันก็สั่งให้มันออกมาทางตาก็ต้องมีวิ ญ, ญญาณเป็นตัวเชื่อมตัววิญ ญ, ญาณนี้จะเชื่อมใจกับร่างกายใจจะจะเห็นรูปได้ต้องมีวิ ญ, ญญาณมาที่ตาก่อน แล้พอตาลืมเห็นภาพมีสัมผัสป๊บมันก็จะเห็นภาพเห็นกว๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเวลากินเข้าไปในร่างกายมันก็ได้สัมผัสกับรสกว๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็ต้องมีสังขารคิดก่อนแล้วก็มีมีวิญญาณไปไปไปรับเอาลูกเสียงกลิ่นรสเข้ามาในใจพอได้รับแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขเขเวทนาขึ้นมาพอเกิดสุขเเวทนาก็เกิดตัณหาความอยากอยากจะสุขอยู่เรื่อยๆก็เลยกินชามเดียวไม่พอ มันศุกก็เลยกินอีกชามอีกสองชามยกินมากกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายก็เลยกลายเป็นตุ่มไปแล้วพอพอกินแล้วก็ติดอุปทานต้องอยากกินอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็อยากกินอีกแลกินไปสักแป บ, บเดียวพอหายพอหายอิ่มแล้วก็อยากจะกินขึ้นมาอีกแล้วพอร่างกายตายไปมันก็ยังอยากกลับมากินต่อมันก็เลยไปกลับมาเกิดใหม่ นี่เขาเรียกว่าการทํางานขงเขาก็วิชาใ น, ในปฏิจจสมุปบาทท่านแสดงไว้อย่างนี้อวิชามันจะคอยออกคาออกทางตาหูจมูกนิ้นกายพอร่างกายนี้ตายไปก็มาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดแก่เจ็บตายใหม่เีแล้วทําอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล่านครั้งละแต่ถ้าเรามีธรรมะมาแทนอวิชามาบอกว่าทุกอย่างการกินก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นทุกข์อย่าไปกินมันอย่าไปอยากกินมัน อ, อยากจะมีความสุขไปนั่งสมาธิดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าพออยู่เฉยๆใจสงบก็ไม่ต้องออกทางตาหูจมูกนิ้งกายไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เนี่คือปฏิจจส ม, มุปบาทคําถามจากคุณวาสนาการที่ใส่บาตรหรือทําบุญอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากบ้านลูกจะยกขึ้นจบว่าสาธุ อย่างนี้เรียกว่าอะไรคะคือเหมือนอธิษฐานหรือเปล่าก็ถางโน้นแต่เขาทาอะไรบ้างนะก็ยกขึ้นมาแล้วเขาไหว้อย่างไงเกิบางคนเขายกแล้วขอขอให้ได้นู่นให้ได้นี่บางคนก็เคิดว่าเขาเขาขอขอให้ได้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆการอธิษฐานมีสองแบบแบบที่ถูกกับแบบที่ไม่ถูกแบบที่ไม่ถูกก็คือยกขึ้นมาขอนน่นขอที่ขอให้ลูกดีขอให้สามีดีขอให้โคดี อนี้มันไม่เกี่ยวกันการทําบุญนี้ถ้าอยากจะขอก็ขอให้เราได้ทําบุญอยู่เรื่อยๆไปก่อนที่เราจะถวายก็บอกว่าชาตินี้ทั้งชาติถ้ามีโอกาสขอให้ได้ทําบุญอย่างนี้ทุกวันเถิดอย่างเงี้ยเราเรจะได้ทำํำไงให้เราตั้งใจอยู่ที่เหตุอย่าไปตั้งใจอยู่ที่ผลพอเราทําเหตุแล้วเดี๋ยวผลมันเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปขอมันเหมือนกับการปลูกข้าวอย่างเงี้ยถ้า ไม่ไม่ปลูกข้าวมานั่งอยู่ที่ที่นานแล้วก็ยกมือขึ้นขอให้ข้าวโตวเร็วๆมีเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยหวานไม่เคยไถยไม่เคยทำอะไรมันไม่ได้หรอกมันอยู่ที่การกระทำหรือทำหนเดียวแล้วก็อยากจะได้ทำถวายทานข้างนี้ขอให้ไปถึงนิพพานเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันไปไม่ได้หรอก อที่สองเวลาเราจะอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นเราพูดสาธุหรือต้องอนุโมทนาสาธุคะถึงจะถูกก็เหมือนกันมันแตกคําหมายเดียวสาธุแปลว่าดีแล้วอนุโมทนาก็ขอบใจหรือว่าดีใจกับการกระทำของคุณชื่นชมกับาการกระทำของคุณไม่พูดก็ได้คือเวลาเห็นใครก็ทำความดีอย่าไปอิจฉาริษยาเขาก็พอละชอบไปอิจฉาเขาเลย พอเ็นใครเขาทำดีกับเราหน่อยนี่ไปว่าเขาแล้วทำเอาหน้าบ้างทำอะไรอย่างงู้นอย่างงี้บ้างอย่าไปคิดอย่างนั้นใครเขาทำความดีก็อนุโมทนาไปกับเขาเพราะการทำความดไมีไม่ทำอะไรให้เสียหายแต่เขาอาจจะได้ดิบได้ดีมากกว่าเราแล้วก็กลัวเขาจะได้ดิบได้ดีแล้อนุโมทนาไม่ออกพอเห็นเขาทำความดีชิบหายแล้วเดี๋ยวมันจะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเงินเดือมันจะมากกว่าเราอนะ เป็นหมอให้อนุโมทนาแล้วเราจะได้สบายใจเรามีความสุขใจจะได้ไม่มากังวลใจเพราะเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทําความดีเราไปห้ามเขาได้ที่ไหนคนก็จะทํามดีก็ปล่อยเขาทาไ ป, าไปอว่าต่อไปคําถามจากคุณพิมพ์เวลานั่งแล้วจิตรวมตัวลงไปหลุดจากตัวอยากหนีไปสงบแล้วจะทํายังไงต่อคะก็ให้มันสงบไปนานๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทําอะไร ครับประคองด้วยสติให้มันสักแต่ว่ารู้ไปให้งานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วอย่าไปพิจารณาไปทำอะไรตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาพิจารณาแต่พิจารณาต้องเวลาจิตออกจากความสงบแล้วมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาคิดทางปัญญาไปคำถามจากคุณยุพาพรการละลึกรู้พบชาติอดีต ถ้าหากเราอยากออกจากภพชาติตัดภพชาติขอพระอาจารย์ชี้แนะเรื่องภพชาติด้วยค่ะก็ไม่รู้จะแนะนําไงก็รู้ว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากแก่เจ็บตายก็อย่ามาเกิดส่วนอดีตชาติจะเกิดมามากน้อยเท่าไหร่จะจาได้ไม่ได้ก็มันก็ไม่สําคัญถ้าเรายังจําไม่ได้ก็ให้เชื่อคนที่เขาจําได้ก็แล้วกันเช่นพระพุทธเจ้าท่านจำทึกชาติได้แต่ว่าท่านเกิดมาไม่รู้กี่กี่ครั้งนะ พวกเราก็เหมือนท่านานะัก็เกิดมาเหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าเราเห็นโทษของการเกิดเราก็ไปปฏิบัติธรรมกันไปบวชกันไปตัดต้นเหตุของการที่มาเกิดก็คือความอยากต่างๆการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย นีย ไ, ไปหยุดไอ้สามตัวนี้ได้แล้วเราก็จะไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปหมดแล้วนะีอเอาเลยกำลังดีค่ะคำถามจากคุณกุ้งถ้าเราตั้งใจจะไปตักบาตรแต่เมื่อถึงวันจริงไม่ได้ไปเพราะไม่มีเงินเราจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าคะไม่ได้หรอกไม่ได้เลยคำถามจากคุณทวิชา นำเงินถวายหน้าหิ้งพระทุกวันโดยอธิษฐานว่าปัจจัยนี้จะบำรุงพระาศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปและถ้าจะและถ้าเราแลกเงินที่เราอธิษฐานไปแล้วเท่ากับเราหยิบเงินนั้นมาใช้หรือเปล่าครับไม่ถ้าเป็นเงินจํานวนเท่ากันแล้วใช่มันเป็นเหรียญแล้วมันขนไปในนาำบาตรแล้วก็ไปรากเป็นแบงมาขอให้มันปริมาณเท่ากันก็แล้วกันหรือมากกว่าก็ได้แต่อย่าให้มันน้อยกว่าก็แล้วกัน ถ้าน้อยกว่าเราเรียกว่ายักษยอกยักษยออ บ, บุญเขาถามสุดท้ายจากคุณหน่ยุยมรค8ดเริ่มที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเราต้องเห็นอย่างไรหรือว่าเห็นอะไรต้องชอบหมดก็ต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริง ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้มีศรัทธาที่จะทำบุญละบาปที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่มีความเห็นอย่างนี้เราไม่เชื่อว่าตายแล้วเราคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกเราก็จะไม่คิดที่จะทำบุญทำบาปดีกว่าสนุกวนกว่าใช่กินเหล้ามันสนุกกว่าไม่กินเหล้าใช่ไหมเล่นการพนันมันสนุกกว่าไม่เล่นการพ น, นันทาบุญก็เสียป่าป่าทำไปทไม ถ้าทำแล้วไม่ได้ผลอะไรก็จะไม่มีใครทําบุญคนที่ไม่เชื่อว่าบุญนี่มีผลตามมาหลังจากที่ตายไปเขาก็ไม่ทําบุญกันดังนั้นเราต้องเชื่อว่าบุญมีผลตามมาบาปก็มีผลตามมาการวินว่ายตายเกิดก็มีผลตามมาตายแ ล, แล้วเราต้องไปเกิดต่ออีกถ้าเรายังไม่ได้สามารถหยุดความอยากต่างๆได้เราก็ต้องไปเกิดต่อไปเรื่อยๆถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มาทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้ ถ้าเราทําตามแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้รับก็คือได้การยุติ ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปหมดแล้วใช่ไห ม, ไมคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษฐพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน